คำว่าจิตนะเป็นความรู้อันหนึ่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตกระเพื่อมตัวออก ดความคิดความตลูมความจดจําสําคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นละ่ะอีกเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวไปโดยลำดับจนกระทั่งา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 มันมมีจริงน้อยจริงใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพระนานรณาวินบอ่านมันได้นนเพราะมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่าห่างแก้วลากฝอยมีเท่าไหร่หแย์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 มี่เราเทียกบกับจิตที่ได้กระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดปรุงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านมานานเป็นไรก็ไปคิดได้หมดเอามายุ่มตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสำคัญมันม่นหมายไปเรื่อยๆจนจนวนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นเราไม่เคยเห็นความยุ่ง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 จิตจริเงเหมือนกับลูกคุณบอล น, นั่นเองถูกเตะกลิ้งแบบนู้นปิ้งแบบนี้ปิ้งไปกิ้มาถูกฝ่าเท้าคนที่เหลือทั้งเตะทั้งเหยียบย่าทําลายห้ายีย่อะไรพาจะให้แหลกจริงๆริจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิ ต, ตทําลายให้ชิปหายไปก็ชิปหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทร ม, ม, มานเพราะสิ่งเหล่า น, นั้น <c oughs> บีบบังคับเท่านั้นเอง เหนือคำว่าเรื่องออกจากจิตวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแล้วผ ล, ผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนามาใช้ได้ผล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 เข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานจจตนความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งอย่างนี้จึงมีพระพุทธเจา้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉียดเฉลาสามารถทำจนได้ผลแล้วนำทั้งเหตุทั้งผลนั่นมาสองสอนพุทธบริษัทบริษัทโลกทั่วไป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 เอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็ผู้จิตดวงนี้เป็นคนขี่คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏจักรงสารพบน้อยพบใหญ่ร่นแล้วตั้งแต่เป็นพบที่รัความทุกข์ความทรมารวิบากจะว่ายังไงคำว่าวิบากก็คือผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทํานั้นได้รับความทุกข์ความบากในภพน้อยภพใหญ่สังไส้สังสารตาลน้ำท่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นเพราะหาทางออกไม่ได้นี่พระพูทธเ จ, จ้าทิงมาปเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเรียกว่านิยานิกระทนํำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืด เป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานี้กธรทมสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทอีกหนึ่งคือความตั้หนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่จึงเป็นกิเลสที่ผูกมัดรัดลึกงจิตใจจนหาทางออกไม่ได้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 ตามความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการชนะกิเลสตัวเพศเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกะทั่เป็นทางผู้ทีนนำาสตร์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดดึงเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสต่ ไ, ได้เป็นขั้นๆตอนๆแล้วศีลนะมันก็มีลักษณะเดียวกันก็เป็นกิเลสตัวเพศหนึ่งหนึ่งในห้าข้อนั้น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 เพราะความเห็นสาระสําคัญแย่งชีวิตของเขาของเหล่านี้ชอวเป็นการแก้กิเลสตระเพศที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่ามานี้ออกได้นะอาทินาเพิ่งเทียบลักษณะเดียวกันกามเมมูสาสุราดนแนวตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์นะความทุกข์ความทรม า, านทั้งนั้น พวกนี้ไม่ได้ความทำเต็ทั้ทหงหม่ิดหวังไหมรู้ภาษีภาษาเยที่กล่าวมาเหล่านี้วันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเป่าเปาสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมด วัคคเลสมันแทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงยไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภ า, ายใจิตใจของสาโลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการห้าอย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการห้านี่านนาอตินาการเมมุสาจุรานี้นี่เป็นแต่ละประเภทประเภทแห่งกิเลส แะศีลอันนี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิ่เด็ดประเภทนี้การทําลงไปนั้นเป็นเรื่องอยากการคิดไม่ทําหรือการวกเว้นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้ทิ่เด็ดอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์รงสั่งสอนไว้อย่างใดต้องมีความหมายเต็มเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้น ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นค่าสิบต่อธรรมตามที่กล่าวมานี้คำว่าภาวนายัางเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปพราะความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะ่วงเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการใด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 ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาเสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเรื่องบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสุขคงติแต่ยืนอยู่ก็เพลิน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 ที่นิ่มนวนชง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้มีเป็นระยะหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของจิตแลวเรื่องราวที่เคยก่อคนตวเ อ, เองนั้นค่อยน้อยลงไปโดยลำดับลำดับเรื่องราวคือความคิดความปรุงในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมา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 พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อขวนทำลายจิตใจนั้นนั้นด้วยสตินี่เป็นอีกขั้นนึงคือความละเอียดมีเข้าไปโดยลำหนัก น, นี่ถาเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทำขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วสมบัติอันนี้เรียกว่า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 ดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนแล้วมันก็เป็นกองทา่ากองขันเป็นกองอสุภะอสุภังเป็นป่าช้าผีดิบเรีวดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของทา่าก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ท่าสีดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนทั้งบัดนี้และยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกทั่งถึงวันอวสานคือวันฉลายตัวงส่วนประชุมเหล่านี้แห่งท่าทั้งหลายนี่ ถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งถึงจิตถึงกันแล้วไม่ต้องบอกมันต่อยข้ามันเองฉนัดลงไปสดัดลงไปป่วยลงไปในส่วนอยากคือธาตุสี่ดินน้ําลมฝายนี้มีอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสําคัญมันหมางเรามันปิดบงังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขานานันอันนี้จริงต้องเอาธาตุขันนี้มาแจงดู คี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวพูดจอมปลอมไปเที่ยวยิ้มนั่นปักปันบั่นไหมเอาสิง น, นั้นเป็นเราสิ่ง น, นี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แก่ตนขนทุกข์มาหนักเท่าไรก็จนกระทั่งไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี้เองปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็ชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลําดับล้หนัก เมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุปูโรงไปหมดภายในร่างกายนี้เห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ใจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูพ า, านาก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลกรวิทูนคือรู้แจ้งเห็จริงโลกทั้งโลกนอกโลกไหนเป็นสภาพเหมือนกันมีทั้งนั้นนะ่นี่โล ก, กวิทู เป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลภวิธูจวัพธิเจ้าเป็นองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสำคัญที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสำคัญเวทนาเกิดขึ้นนันก็ไปสำคัญมั่นหมายสวีตนาเป็นเราเยอเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่ ร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญงาทังขามีน ญ, ญาณมันก็เป็นเราไปด้วยกัน เ, เขามาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสําคัญนี่มันหลอกเราพิจนารณาดูให้ชัดเจนความปรุงก็เพียงคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดนิ่งขณะเดียวก็ดับไปพร้อมๆๆในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรังถาวร อ, อะไรรลยเป็นแต่เพียงความสําคัญมันหมายนั่นะมันไปยึดเอา ยึดยาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกอะไรกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปตามกาันคนทั้งคนเลยมีแต่ลูกโซ่คือความทุกเต็มหัวใจเนี่ยการตัดลูกโซ่จริงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิต ญ, ญาณให้ทราบก็เป็นอาการนหนึ่งๆของขันนั้นเท่านั้นเนี่ยเวทนาความสุขความทุก ทุกกายทุกใจสุกกายสุกใ จ, ใ จ, ใจก็อนัตตาเนี่ยสรุปความอั น, นิจ้จำทุกขงังอนัตตาเนี่ยกระลงตรงนั้นในใจไหนคําว่าอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไงมันปฏิเจตตัวตนอยู่แล้วชัดๆเนี่เยเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันก น, กนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมา ทุกการกระทู้ใจมันเป็นเยทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือตรลักษ์ร้่นล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นตรลักษ์ร้่นล้วนจริงๆทัญญาความหมายเนี่ยฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปอย่างนั้นหมายนั้นหมายนี่จริงไม่จริงกนะับหมายไปจําไปลืมไปแล้วเอามาจําใหม่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 ปฏิทินที่วิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นรู้วันที่เข้าสู่ปฏิทินที่ทก่อกําเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิติตกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณใันท่าเหล่านี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันกันกบกรูปเบญนาสัญญาทั้งขันมันเสมอกันด้วยใจรักเหมือนกันด้วยใจรักเนี่ยเหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตานี่ มันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้น น, น, นั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอยา่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นวัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการหา้านี้อาการห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของปัจจั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 ความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นทาตุเด่นี่ทำไงวะตัดกิก่งก้านสาขาตัดรากแก่รากปล่อยของกิเลสเข้ามามันเหลือแต่รากแก่พอถึงรากแก่แล้วก็ถอนรากแก่คืออะไรคือตัวจิตกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมด ผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้วอรู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแล้วมาหลงตัวเองสิ่งภายนอกนั่นจะฐานที่นีไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวตนาสัญญาสังขานวิญญาณ น, นี้นี่แหละ รู้สิ่งอย่างนี้แล้วยังไม่ไ ม, ไม่รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึ้นว่ารู้สิ่งทั้งหลายแต่ ท, ท, ทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองทังนทงใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยําเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอื <Ừ. S 1> เพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ้มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอํานาจแห่งปัญญา ขี้ขายจนกระทั่งกระจ า, ไจายไปจริงๆนิสสั้นลายลงไปจริงๆด้วยอนนานาจของปัญญาอันแหลมคมนล้วคำว่าเราคำว่าของเรา้็หมดปัญหาคําว่ารูปร่างรูปเว ท, เวทนาสัญญาทังขานยินยานหรือว่าอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี้ว่าเป็นเราก็หมดปัญหาไปตางๆกัน อเป็นระลจังทุกข์ขังนต า, าก็หมดปัญหาประจำตามกันเพราะสิ้นปัญหาภายในปิตใจคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่นใดใจจริงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละคือบอ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้ว ใจจึงกลายเป็นใจที่ดีสุด ข, ขึ้นมาเนี่ยนิยานิธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นดังที่กล่ามาแล้วบืงต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยานิธรรมโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้คล้องผู้ง่ายหรือนำกิตผู้คล้องให้พ้นจากความ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 เป็นโลกวิถีเป็นศาสตระเอีดของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้ตกเราทั้งหลายแ่าจะเกิดจุดท้าทายหลังตามของพุนมนิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำส่อนคือาศาสนาธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติ ต, ตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านกับพระพุทธเจ้าคือทำคำสั่งสอนของท่านในมาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่จะงอัดสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธเวยัจโดยสมบูรณ์จึงขอุติเพียงเท่านี้